สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกๆ ท, ท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นเรื่องแรกกันค่ะเป็นเรื่องจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะชื่อว่าคุณส้มโอนะคะส่งเข้ามาอินบล็อกทางแฟนเพจพระเจอผีบน Facebook ของเราผมจะย้อนกลับไปเชียงใหม่เมื่อ 25-26 ถึงปีที่แล้วผมกับครอบครัวเช่าบ้านอยู่ที่บ้านบวกครกมันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่กันก็จะมีแม่กับพี่ชายส่วนพ่อคุณส้มโอเองนะคะก็ขับรถ10ล้ออยู่ที่กรุงเทพ ล้อมด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมนะคะเป็นลักษณะของบ้านก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ประมาณ5หลังในกำแพงบ้านเนี่ยคุณส้มโอจะอยู่ในสุดเลยตอนนั้นคุณส้มโอบอกว่าจำความได้แล้วอายุน่าจะประมาณ 6-7 ขวบกับเหตุการณ์แรกที่จำได้เลยก็คือมีอยู่คืนนึง ตอนที่เข้านอนแล้วได้ประมาณไม่นานก็จะนอนติดฝาผนังบ้านนะคะห้องของคุณแม่นี่ก็จะนอนติดกันกับของคุณ z ้มโอเองคือห้องนอนจะใหญ่มากมีสองเตียงคุณโอเองก็นอนอยู่กับแม่ส่วนปลายเท้าเนี่ยมีอีกเตียงเป็นของพี่ชายคือขณะที่ปิดไฟหมดแล้วห้องมันก็จะมืดหมดแต่ว่าในความมืดเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีสิ่งที่มืดกว่าคือ เห็นว่าเป็นเงาคนยืนเรียงกันอยู่ข้างเตียงติดกับแม่เลยดูออกเลยว่าเป็นพ่อแม่ลูกซึ่งตอนนั้นคุณโอบอกว่างงมากที่เห็นเนี่ยคืออะไรแต่ก็ไม่ได้กลัวอาจจะเป็นเพราะว่าความงงมันมีมากกว่าที่มายืนมองดูสักพักหนึ่งของเงาดำนั้นเนี่ยนะคะก็เลยบิดตัวหนีไปทางฝาห้องซึ่งขณะที่กำลังจะพลิกตัวนั้น ไอ้เงาที่เหมือนจะเป็นตัวผู้หญิงก็ยืดมือมาพร้อมกับจังหวะที่หันตัวหนีไปด้านฝาห้องพอดีมันก็เป็นความรู้สึกได้เลยว่ามีมือมาตบก้นเบาๆ 45- หทีคุณโอก็เลยพูดออกมาเพื่อให้แม่ได้ยินว่าแม่อะไรอะ่ะแม่อะไรอะ่ะแม่ก็เลยตื่นมาแล้วก็เดินไปเปิดไฟแต่ว่าเงานั้นเนี่ยก็หายไปแล้วนะคะคุณโอบอกว่างงกับเหตุการณ์นี้มากก็เลยบอกแม่ในสิ่งที่เห็นแม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอก แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรเรื่องมันก็ผ่านไปนะฮะนี่คือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นกับพี่ของคุณโอเองค่ะคือพี่เขามาเล่าให้ฟังตอนที่โตกันแล้วล่ะพี่บอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งตอนที่นอนกันหมดแล้วนี่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาตั้งแต่หัวมุ้งด้านข้างนะคะก็ปรากฏภาพเป็นของใบหน้าของเด็กผู้หญิงขนาดใหญ่เต็มมุ้งเลย พี่โอบอกว่ามันเหมือนเขาฉายภาพขึ้นมาที่มุง้งลักษณะของหัวผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันใช้มือเท้าขางแล้วก็สลับเปลี่ยนเป็นมือขวาทีแล้วก็มือซ้ายทีแล้วก็ยิ้มให้นะคะพี่โอเองก็เลยตัดสินใจใช้หมอนเนี่ยปาใส่ที่มุง้งพี่โอบอกว่าความสยองมันเริ่มจากตรงที่ปาหมอนใส่มุ้งนี่แหละ คือลองนึกภาพเวลามุ้งมันโดนอะไระกระทบบน ะ, ะ่ยมันก็จะไหวพลิวนั่นแลหละค่ะใบหน้าของเด็กคนนั้นก็สะบัดผิดรูปตามรอยมุ้งที่กระเพิ่มจากแรงของหมอนที่ปาา่าใสแล้วมันก็ค่อยๆ่จางหายไปพี่โอบอกว่าตอนนั้นรู้สึกตกใจค่ะเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้จนมาเล่าให้คุณโอฟังก็ตอนโตนี้แล้วนะคะ แล้วก็อเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์ที่พี่ชายของคุณโอและก็แม่จำได้ดีเลยคือมีอยู่คืนหนึ่งไม่ดึกมากนะแต่ว่าสมัยก่อนนี่ต่างจังหวัดเนาะสองทุ่มเขาก็ปิดบ้านกันหมดแล้วจำได้ดีเลยว่ากำลังดูหนังกันอยู่ค่ะอยู่ๆก็ได้ยินเสียงพ่อดังมาจากอ่าก่อนจะถึงบ้านประมาณสักสิเมตรคือมันดังชัดมากคุณโอกับคุณโอเนี่ยพี่น้องกันก็ดีใจมากที่พ่อกลับมาบ้านเพราะว่าจะได้ของฝากจากกรุงเทพะนะคะ หน้าต่างบ้านของคุณโอเองเนี่ยแล้วก็คุณโอเองเนี่ยก็จะเป็นแผ่นไม้เลื่อนออกด้านข้างมีช่องให้ลมผ่านประมาณไม้น้า6คุณโอกับคุณโอเองก็เอาหน้าแนบดูว่าใช่ใช่พ่อไหมจริงจริงมันใช่ค่ะมันเป็นเงาของพ่อแบกถุงทะเลกำลังเดินมาที่ประตูเสียงพ่อบอกโอโ อ, โอเปิดประตูให้พ่อทีเราก็เลยวิ่งไปที่ประตูเพื่อจะเปิดมันออกแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแม่ตะโกนบอกว่าไอโอไอโอมึงอย่าเปิดไม่ใช่พ่อมึง งงสิครับตอนนั้นทั้งเงาทั้งเสียงของพ่อนี่มันชัดมากแต่ว่าแม่รีบวิ่งไปที่หลังบ้านหยิบข้าวสารมากำหนึ่งแล้วก็ปาใส่ประตูแล้วก็ได้ยินเสียงหวัวเราะบอ๊บบอ๊บแบบอะไรประมาณนี้แล้วมันก็หายไปแม่ก็เลยรีบพาเราเข้านอนโดยที่ไม่บอกอะไรปล่อยให้งงในสิ่งที่เกิดขึ้นมารู้ตอนหลังค่ะคือพ่อโทรมาข้างบ้านบอกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้กลับบ้านนะแม่ก็เลยรู้ว่านั่นเนี่ยไม่ใช่พ่อแน่แน จะผีหรือว่าจะคนก็ไม่รู้ละค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณโอได้เห็นกับพี่ชายแล้วก็แม่ว่าเป็นพ่อชัดๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้เนี่ยคุณโอเองก็ได้โทรถามแม่ว่าทําไมแม่ถึงเอาข้อสารปลาใส่ประตูหรือว่าแม่มีคาถาไหมาแม่บอกแม่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงคิดได้อย่างเดียวคือเอาข้อสารคงจะศักดิ์สิทธิ์มากก็เลยอยู่บ้านนั้นอีกไม่นานค่ะพ่อก็พาย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วบ้านที่กรุงเทพนี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะคุณผู้ฟัง คุณโอเองบอกว่าลืมบอกไปผมชื่อโอพี่ชื่อโอเหตุเกิดที่บ้านบวกโครงซอยสองจังหวัดเชียงใหม่ซอยนี้เนี่ยทะลุถึงโรงเรียนบวกครกก็เลยกลับไปดูบ้านเก่าที่เกิดเหตุเมื่อสามเดือนที่แล้วตอนนี้กลายเป็นห้องแถวไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ต้องขออะไรคุณุูฟังด้วยคือบีเองก็ไม่แน่ใจว่าชื่อหมู่บ้านเนี่ยชื่อบวกครกหรือว่าบวกโครงเนะะี่ยมันจะมีบางบางวัที่คุณโอเองเนี่ย คุณโอเองเนี่ยพิมพมาเป็นบวกโครงบางอันก็พิมพเป็นบวกครกนะคะก็ขอคนที่อยู่ทางเชียงใหม่หรือว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยชี้ความกระจจางให้เราด้วยว่าบวกครกหรือว่าบวกโครงนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโอด้วยนะคะที่กรุณาะะส่งเรื่องเล่าแบบนี้มาให้บรรดาแฟนเพจแล้วก็คุณผู้ฟังในช anel พระเจอผีได้รับฟังกันด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะบีเองขออนุญาตนำเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องดงผีป่านะคะที่เป็นกระทู ผีนะคะในเว็บไซต์ชื่อดังก็คือเว็บไซต์ผันทิพนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เขาไปพบเจ อ, อสิ่งลี้ลับนะคะที่อยู่เหนือธรรมชาติแล้วก็วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่านี่เป็นคนหรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะคือจริงๆแล้วเจ้าของเรื่องบอกว่าเตรียมตัววางแผนเดินทางในอีก6วันข้างหน้าที่ต้องกลับไปยังจังหวัดเกิดของคุณตาที่ที่ได้เจอพวกมันเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็คงจะได้เจอกับพวกมันอีกอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าพวกหิวกระหายที่นั่นอาจจะเป็นถึงระดับที่เราเรียกกันง่ายว่าผีป่าซึ่งน่ากลัวกว่าพวกทั่วๆไปเพียงครั้งนี้เขาก็เตรียมรับมือไว้แล้วเรียบร้อยนะคะคือที่นั่นอากาศค่อนข้างหนาวเสื้อผ้าก็เตรียมกันไปดีๆขาไปเนี่ยอยากกินอะไรพี่เรนมาเชียวเพราะนั่งรถ7ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็คําเตือนหากได้ยินเสียงอะไรอย่าทักจะเรียกใครให้เรียกชื่อแล้วก็ระวังปากด้วย ส่วนคุณผู้ฟังใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเจ้าของเรื่องในเว็บไซต์พันทิปบอกว่าผมอ่านข้อความที่เพื่อนช่างภาพแท็กมาในโพสทาง Facebook ถึงข้อควรปฏิบัติในการออกทริปสู่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะคำเตือนที่เหมือนจะเน้นย้ำถึงเอสเปอร์อย่างขอคุณเจ้าของเรื่องเนี่ยอย่างเจาะจงค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่า ตามความเชื่อโบราณที่มักจะเกิดขึ้นแทบร้อยทั้งร้อยของผู้ที่ปฏิบัติตนขัดต่อคำสั่งได้ยินเสียงอะไรห้ามทักจนต้องพบเจอเรื่องราวหลอนไปตามๆกัน ต่อมาก็คือจะเรียกใครให้เรียกชื่อซึ่งพักนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องบอกว่ามักจะได้ยินอะไรบ่อยๆตามเรื่องเล่าสยองขวัญตามอินเทอร์เน็ตวิทยุกระจายเสียงหรือแม้แต่ประสบการณ์ไม่ตรงจากเพื่อนที่ฟังเพื่อนเล่าต่อมาอีกทีหนึง่งว่าเคยไปยังสถานที่บางแห่งกับกลุ่มคนจํานวนหนึง่งจนกระทั่งขากลับได้เอ่ยปากทํานองว่าอ้าวขึ้นรถก็เลยทําให้เหตุการณ์ขาไปนับครบขากลับนับเกินค่ะเพราะว่าไปรับใครมาก็ไม่รู้ซึ่งว่าเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์นั่นเอง แล้วก็ข้อนี้นะ่ยคือเรื่องของการระวังปากในข้อนี้อาจจะพูดถึงใครก็ได้ซึ่งก็มีโอกาสพลาดกันทั้งนั้นด้วยความที่เป็นวัยรุ่นค่ะแต่ก็ยังมีเพื่อนของเจ้าของเรื่องอีกคนหนึ่งที่มักจะปากลั่นอยู่ด้วยเสมอด้วยบุคลิกที่เป็นคนภายนอกอาจจะมองว่าชอบโชว์เขาค่ะจนสิ่งที่ภายคนภายนอกนมองว่าเป็นอย่างนั้นหล่อหลอมให้มันกลายเป็นแบบนั้นไปจริงๆแล้ว ที่นี้เนี่ยเจ้าของเรื่องเขาเลยบอกว่าผมก็เลยคอมเมนต์ตอบรับคำแนะนำของเพื่อนช่างภาพโดยไม่ลืมที่จะเสริมไปว่าควรยกายาพกยาทากันยุงไปด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากที่พักของเราในครั้งนี้ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าอยู่กลางป่าทีนี้มาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่ารถบัสคันหนึ่งหยุดลงที่กลางตลาดแห่งหนึ่งผมก้าวลงจากรถเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่เพื่อนๆผมอีก7คน ผมก็มองไปยังทัศนวิสัยรอบๆก็เห็นบรรยากาศชวนหลงไหลเป็นพิเศษสิ่งปลูกสร้างที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นจากไม้ฝาโดยมีคอนกรีตเป็นโครงหลักด้านในค ล, คล้ายๆกับสิ่งปลูกสร้างย่านพระนครผมหยิบแว่นกันแดดขึ้นมาสวมเพื่อป้องกันแสงยามบ่ายที่สาดส่องลงมาถึงแม้ว่าจะใส่เสื้อหนังสีดําตัวเก่งเพื่อป้องกันลมหนาวที่พัดผ่านมาเป็นพักๆ ก, ก่อนจะเดินตามเพื่อนๆไปพักที่ห่างออกไปอีกเกือบ1กิโล เราเดินมาจนถึงที่พักจากล็อบบี้ยังต้องเดินต่อเข้าไปอีกราวๆร้อยเมตรเนื่องจากว่าเกสต์เฮาส์แห่งนี้สร้างไว้บนภูเขาทำให้การวางตัวของจุดต่างๆในรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้โรงอาหารแล้วก็ที่พักนั้นเนี่ยกระจายออกไปพอสมควรจนกระทั่งเราได้เดินต่อมาระหว่างทางเราได้พบกับรูปปั้นอแปะถือเบ็ดที่ไม่มีเบ็ดขนาดเท่าคนจริงอยู่ทางด้านซ้ายมือ เราทั้ง8คนก็มีความคิดเดียวกันว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนรูปปั้นตะแปะเนี่ยคงชวนขนหัวลุกไม่น้อยหากไม่รู้ว่าเป็นรูปปั้นเดินผ่านโรงอาหารตามทางลาดชันลงไปจนถึงบ้านพักที่เราจองไว้ภายในบ้านพักนั้นกว้างพอสมควรหากยืนหันหน้าเข้าห้องพักด้านขวาก็คือเตียงนอนที่เรียงรายกันในจานวนที่พอดีกับพวกเราทั้ง8คนที่อยู่สุดผนังห้องของห้องก็คือชุดโต๊ะรับแขกที่ทาขึ้นจากไม้ไผ่ หลังจากวางสัมภาระวัทิโต๊ะไม้ผมเองก็เดินสำรวจที่ระเบียงบ้านที่ยื่นออกไปกลางป่าโดยปล่อยให้อีก7คน น, ะนั้นแย่งที่นอนกันไปเพราะว่าผมไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วว่าจะต้องนอนตำแหน่งไหนในห้องหากมากับกลุ่มเพื่อน ผมหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบพร้อมมองออกไปยังผืนป่าโดยอดคิดถึงความคิดอย่างหลายๆอย่างของตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ได้มาถึงการจะนาบุรีถึงแม้ว่าจะคนละอำเภอบ้านเกิดของคุณตาแต่ก็ยังคงรู้สึกทุกครั้งเมื่อได้มายัางจังหวัดนี้คืออบอุ่นสงบเหมือนได้กลับบ้านอยู่เสมอก่อนที่เพื่อนของผมอีกคนนึงมักจะมีบุ ค, คลิกโชว์เก๋าเดินออกมาจากห้องพักมายัางระเบียงแล้วก็หยิบบุหรี่มาสูบเป็นเพื่อนเป็นไงล่ะตั้งแต่มาที่นี่รู้สึกอะไรบ้างหรื อ, อยัง ประโยคคำถามประจำเมื่อผมไปยังสถานที่ต่างๆกับเพื่อนได้เอ่ยออกมาในที่สุดบางทีผมก็รู้สึกเบื่อไม่ใช่น้อยที่ต้องได้ยินคำถามอะไรแบบนี้อยู่ประจำเอสเปอร์คนมีเซ้น์คนเห็นผีหรืออะไรก็ตามแต่ ไม่ได้เจอผีสางนางไม้กันอยู่ทุกวันทุกเวลาหรือไม่ได้มีความสุขมากมายนักเลยที่จะต้องได้เจอเพียงแต่ว่าครั้งนี้ผมคิดว่าผมมีความพร้อมมากพอที่จะรับมือหากมีพวกไหนมาวนเวียนอยู่แถวแถวที่พักจริงๆผมจึงตอบเพื่อนกลับไปอย่างที่เล่นทีจริงไม่อยากแสดงอารมณ์ด้านลบให้เสียบรรยากาศทริปว่าเดี๋ยวรู้กันคืนนี้ ค่ำนี้เราเดินออกจากที่พักมายังตลาดเพื่อหามื้อเย็นกินโดยตลาดในยามนี้กลายเป็นงานวัดไปเรียบร้อยแล้วสอบถามจากผู้คนแถวนั้นได้ความว่าช่วงปลายธันวาไปจนถึง7มกราบริเวณนี้จะมีงานวัดเพื่อเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังจากผ่านแสงสีเสียงยามค่ำจนดึกเราก็เดินกลับที่พักไปตามทางที่สองข้างทางคือป่ารกซึ่งบรรยากาศชวนน่ากลัวอย่างที่คาดไว้ จากที่เห็นเมื่อตอนกลางวันซึ่งไม่รู้ว่าผมอาจจะเผลอปล่อยความคิดไปตามบรรยากาศก็กได้ที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างจับตามองดูพวกเราทั้ง8คนแต่ก็ไม่แปลกหากจะมีพวกนั้นออกมาจริงๆเพราะเวลาห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนนี้ก็ได้เวลาของพวกเขาอย่างพอดีในที่สุดก็มาถึงทางเข้าเกสต์เฮาส์อย่างปลอดภยัยผมอาจจะคิดไปเองก็ได้จนกระทั่งเชี่ย เราทั้ง8ดคนสะดุ้งตามคำอุทานของรุ่นน้องคนหนึ่งในกลุ่มจนต่างคน ต, งต่างต้องหันไปตามทิศทางที่รุ่นน้องคนนั้นมองไปก็ได้พบกับร่างของเงาดําทมินที่นั่งชันข่าข้างหนึ่งอยู่ข้างทางโธ่ไอแปะนี่เองเมื่อเพ่งดีๆก็ได้พบกับรูปปั้นของตาแปะขนาดเท่าคนจริงมาตั้งไว้อย่างผิดที่ผิดทางจนต้องตกใจไปตามกันความคิดที่คุยไว้เมื่อตอนกลางวันจนอดหัวเราะลั่นในตอนนี้ไม่ได้อุนอวย เพื่อนผมคนนึงเอ่ยขึ้นหลังจากทิ้งไพ่อูโน่สใบในมือลงไปในกองจนเหลือใบเดียวตามกติกาผู้เล่นที่ต้องฐานว่าอูโนเมื่อเหลือไพ่ใบเดียวในมือไม่อย่างนั้นจะต้องจั่วเพิ่มอีก3าใบกลายเป็นต่อระยะไม่ให้ไพ่ในมือหมดจนเป็นผู้ชนะจนกระทั่งเราทั้ง8คนเนี่ยก็นั่งล้อมวงอยู่ตรงพื้นปลายเตียงได้ยินเสียงกดชักโรครกในห้องน้ําก่อนจะหันมองหน้ากันเพื่อสํารวจว่าทั้ง8คนยังนั่งล้อมวงอยู่ตรงนี้ครบจํานวนจริงหรือไม่ หากได้ยินเสียงอะไรอย่าทักภาพประโยคคำเตือนข้อแรกจากโพสใน f a c e b o o k แล่นเข้ามาในหัวพวกเราเกือบทุกคนแทบจะพร้อมกันจนความคิดของพวกเราตรงกันเกือบทุกคนที่ตัดสินใจว่าจะไม่ถามถ่ายอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่ในใจผมคิดไปต่างๆนานาก็พยายามหาเหตุผลว่าอาจจะเป็นเสียงระบายน้าจากท่อที่ปล่อยออกด้านหลังบ้านพักไปยังป่า แต่ถึงยังไงเสียงนั้นก็ยังคงดังเกินกว่าจะเป็นเสียงที่ดังมาจากข้างนอกและถึงยังไงนั่นมันก็เป็นเสียงระบบน้ําวนในชักโครงชัดๆใครเข้าห้องน้ําวะจนแล้วจนรอดก็มีคนทักขึ้นมาจนได้ในเพื่อนจอมโชก่าวนั่นเองตามด้วยเสียงตอบรับจากทั้งวงที่เอ่ยขึ้นเกือบจะพร้อมกันรวมถึงตัวผมด้วยว่าเออช่างมันเถอะเกมอูโน่ยังคงดําเนินต่อไปปะปนกับเสียงหัวเราะเมื่อมีคนยิงมุกใส่กันแต่ถึงอย่างนั้น ความสงสัยที่ว่าใครเข้าห้องน้ำก็ยังไม่เลือนหายไปจากความคิดของทุกคนและแล้วในที่สุดสิ่งที่ผมกลัวว่าจะต้องเจอมาตลอดการเดินทางก็เกิดขึ้นเมื่อหางตาของผมเหลือบไปเห็นแขกไม่ได้รับเชิญนั่งอยู่ตรงโต๊ะรับแขกด้านที่อยู่ทางซ้ายมือของผมชายผิวขาวซีดแห้งกรังในชุดขาวหมองราวกับเปื้อนเท่าถ่านสภาพขาดวินกำลังมองมาทางผม รูปลักษ์ของมันคือพวกเดียวกับพวกที่พยายามจะเอาผมไปอยู่ด้วยเมื่อตอนเจ็ดขวบที่กลับจากงานศพคุณตาไม่มีผิด ถึงอย่างนั้นความคิดที่ว่าผมต้องตาฝาดไปกำลังถูกเค้นออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งสัมผัสเอสเปอร์ของผมยืนยันอย่างชัดเจนว่ามีสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ตรงนั้นจริงๆและก่อนที่คืนนี้จะต้องมีใครถูกเข้าถึงตัวไปซะก่อนผมลุกขึ้นคว้าเสื้อหนังสีดำตัวเก่งแล้วเดินออกไปยังระเบียงด้านนอกพร้อมทั้งเรียกเพื่อนจอมโชเกลออกไปเป็นเพื่อนโดยให้เหตุผลว่าหาคนสูบบุหรี่เป็นเพื่อน ถึงแม้ว่าผมจะเป็นแอสเปอร์ประเภทยานสัมผัสที่ไม่ได้เน้นไปทางการมองเห็นแบบพวกตาทิพย์แต่ว่าการเห็นพวกนั้นทางหางตาอาจจะเกิดขึ้นได้กับพวกแอสเปอร์ทุกประเภทเพราะว่าการมองเห็นทางหางตานี้ผมเองก็เป็นมาแล้วเมื่อได้พบกับเจ้าที่บ้านเพื่อนตาทิพย์คนหนึ่งที่บ้านประกอบธุรกิจเช่าพระเครื่องซึ่งเลี้ยงดูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เต็มไปหมดทั้งพระเครื่องหลวงปู่ทิมหลวงปู่รอดหลวงปู่ทวด รวมไปถึงพระเครื่องที่บรรจุเท่ากระดูกแม่พายคู่หูของผมถูกวางลงบนโต๊ะนอกกระเบียงโดยมีผมพนมมืออารัธนาอัญเชิญบารมีหลวงปู่ทั้งสององค์มาปกปักรักษาที่แห่งนี้และบอกให้แม่พายคอยวนเวียนและขับไล่ทุกอย่างที่ไม่ได้รับเชิญจากผมให้ออกจากที่พักแห่งนี้ไปซะหลังจากอารัธนาอัญเชิญเสร็จเพื่อนจอมโชเกา๋าผลัดมือกับเพื่อนอีกคนให้ออกมาคอยดูอาการผม ผมพอเดาได้ว่าในใจทุกคนตอนนี้คงอยากจะรู้ว่าผมเจอประเภทไหนเข้าให้แต่ด้วยความที่ว่ามันอาจจะเป็นการกระตุ้นในพวกนั้นยิ่งแผงลงฤทธิ์ได้ง่ายขึ้นหากเราย้ำพูดถึงมันอยู่บ่อยๆไม่เป็นไรหรอกถ้าเรามาดีเขาก็ไม่ทำอะไรเขาอาจจะมาดูแลพวกเราก็ได้ ผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งในใจของเพื่อนผมคนนี้อาจจะอยากให้ผมใจเย็นๆไม่ควรออกอาการกลัวอะไรที่เข้าใจว่าเป็นเจ้าที่แต่ผมอยากให้มันเจออย่างที่ผมเจอจริงๆแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่วนเวียนอยู่ในที่พักต่างๆไม่จำเป็นต้องมีแค่เจ้าที่ไม่เรามาดีนะใช่แต่มันไม่ได้มาดีจนกระทั่งผมรู้สึกได้ว่าทั้งหลวงปู่และแม่พายของผมเริ่มสาแดงแล้วจึงกลับเข้าห้องไปพร้อมกับเพื่อน ในคืนนั้นพวกเราตัดสินใจแยกย้ายกันเข้านอนกันแทบจะทันทีความรู้สึกชวนสยองนั้นจางหายไปจนเกือบหมดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นนี่เพิ่งจะเป็นคืนแรกเท่านั้นที่เรายังต้องนอนพักในบ้านหลังนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคืน แสงสีส้มยามเย็นสาดกระทบกับผิวเลี่ยมทองของเจดีพุทธคยาส่งให้เจดีสองประกายออกเป็นสีทองเรืองเองดูงดงามไม่ใช่น้อยหลังจากที่เราได้ไปทำบุญตักบาตรที่สะพานมอนมาตั้งแต่เช้ามืดนอนเอกเขนกในบ้านพักช่วงกลางวันก่อนที่จะเดินเท้ากว่า2กิโลเมตรจากเกสเท้ามาถึงเจดีและถึงแม้ว่ามองจากด้านหน้าเจดี JD แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่น่าเยือนมาก แต่เมื่อเราเดินสำรวจโดยเริ่มจากด้านล่างเดินไปจนถึงด้านหลังของ JD ดีกลับพบว่ารอบๆของ JD ดีส่วนใหญ่ยังคงทำการบูรณะไม่เสร็จดีสภาพจึงไม่ต่างจากโบราณสถานที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ไม่มีผิดนี่ถ้าได้ทุนทำหนังเรื่องฟาวฟอร์เทคกูคงจะมาถ่ายถังที่นี่แน่ๆเลยผมพูดขึ้นในขณะที่มองไล่ตามขั้นบันไดาจากหลัง J ดีด้านล่างสุดไปจนถึงยอดโดยมีรุ่นน้องอีกคนพยักหน้าเชิงเห็นด้วย มองสำรวจไปตามกำแพงล้อมรอบใจดีก็ได้พบทางออกไปสู่ป่าแห่งหนึ่งแสงสีส้มยามเย็นยังคงสร้างความงดงามให้แก่พื้นที่ด้วยการส่องแสงลงมาตัดกับสีเขียวแก่ของใบไม้ในป่านั้นขาทั้งสองข้าง ข, างของผมก้าวเดินไปข้างหน้าหวังจะพาร่า ง, งผมเองไปสำรวจป่าแห่งนั้นแต่ก็ต้องหยุดลงที่ธรณีทางออกทันทีเมื่อมองไปก็พบกับกบเก็บเท่ากระดูกไม่ต่ำกว่า10ลูกกระจายตัวไปรอบๆพื้นที่ในป่านั้น แทบจะทันทียานสัมผัสผมจับได้สัมผัสถึงบางอย่างที่อยู่ข้างนอกนั้นโดยไม่ต้องคิดเลยว่าถ้าพวกวิญญาณที่ดีจริงๆจะไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วพวกที่ยังอยู่ในป่าแห่งนั้นจะเป็นพวกไหนเดินเข้าไปเชียวนะ เสียงเพื่อนช่างภาพของผมดังขึ้นจากด้านหลังเป็นการร้องเตือนเดาว่าเพื่อนช่างภาพคนนี้คงรู้อยู่แล้วว่าเอสเปอร์อย่างผมหากได้ย่างกรายไปในพื้นที่แบบนั้นแม้แต่ก้าวเดียวจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมหันมายิ้มมุมปากให้เล็กน้อยก่อนจะตอบกลับไปว่ารู้แล้วนะเราเดินออกจากพื้นที่ตรงนั้นโดยที่ผมกับเพื่อนจอมโชกเกล้าอีกคนขอตัวขึ้นไปทําบุญในตัวเจดีที่ทําเป็นห้องโถงใหญ่ไว้คลายห้องโถงในบทวัดส่วนคนอื่นๆ อ, อีก6คนรออยู่ด้านนอก ไหนๆก็มาถึงละก็พาแม่พรายไปทำบุญด้วยซะหน่อยผมพูดขึ้นโดยมีเพื่อนจอมโชวเก่าพยักหน้าเชิงเห็นด้วยพระนอกจากผมที่มีพูดรอรับส่วนกุศลแล้วเพื่อนโชวเก่าคนนี้ก็เก็บพรายจากแม่พุ่มพวงไว้อีกตนเช่นกันโดยที่ของมันนั้นคือกระดูกข้อเท้าข้างซ้ายของกูเขาก็ยังอยู่กับกูตลอดเวลาใช่ไหมเพื่อนผมถามขึ้นเขาก็อยู่กับแกตลอดเวลาแหละตราบใดที่ยังห้อยไว้ในเสื้อเป็นพระเครื่องนั่นแหละ การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับแม่พายของเราโดยรวมก็จะคล้ายๆ ค, คนทั่วไปที่ขอพรในสิ่งที่ตัวเองอยากได้เพียงแต่ของเราจะเพิ่มไปอีกอย่างว่าขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําในครั้งนี้ให้แก่แม่พายพุ่มพวงของข้าพเจ้าด้วยตกดึกการเล่นไพ่อูโนโยังคงเป็นกิจกรรมก่อนนอนของพวกเราทั้งแปดคนอีกครั้ง เพียงแต่ว่าบรรยากาศในครั้งนี้ดูครื้นเครงกว่าเมื่อคืนประมาณหนึ่งถึงแม้ว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกลับกรุงเทพตั้งแต่เช้ามืดเฮ้ยเมื่อตอนเย็นที่เจดีเจออะไรบ้างวะเพื่อนช่างภาพคนนึงถามผมขึ้นในครั้งนี้ผมยินดีที่จะให้คําตอบเพราะเพื่อนช่างภาพของผมคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนชัดเจนในการแสดงถึงความจริงจงังหรือตลกหยอกล้อเล่นซึ่งคําถามนี้ก็จัดอยู่ในหมวดจริงจงังก็ไม่เห็นมีอะไรนะแต่ว่ารู้สึกได้ว่าก้าวตนว่ะ ผมตอบไปตามความรู้สึกที่จับสัมผัสได้ถึงพวกผีป่าที่เจอเมื่อตอนเย็นเท่ากันเลยเพื่อนช่างภาพของผมตอบกลับเห็นเหรอจริงๆผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่เพื่อนช่างภาพผมคนนี้ จะได้รับสัมผัสอะไรบางอย่างมาเบาบางจากการที่บ้านของมันเลี้ยงกุมานทองไว้ถึง5ตนซึ่งทําให้แม่พรายในรูปลักษณ์เด็กผู้หญิงเคยหลงไปอยู่เล่นกับกุมารพวกนั้นโดยไม่อยู่กับผมถึงหนึ่งอาทิตย์ทําให้ผมกับแม่พรายออกอาการขุ่นเคืองใส่กันอยู่พัดใหญ่ๆหลังจากนั้นกูเห็นเป็นเงาดําวิ่งอยู่รอบๆบวะ่ะแล้วมันรู้สึกไม่ดีมากๆกูถึงเตือนมึงไม่ให้เหยียบไปตรงนั้นไง เมื่อได้เวลาอันควรพวกเราจึงแยกย้ายกันเข้านอนโดยมีผมกับเพื่อนอีกคนออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงปล่อยให้อีกหคนที่เหลือจัดการแพ็ค ก, กร ะ, ะเป๋าเตรียมเดินทางกลับส่วนผมกับเพื่อนคนนี้แพ็ค ก, กร ะ, ะเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่หัวถําพื้นป่าหลังบ้านพักยามดึกนั้นมืดสนิทราวกับปิดตาแต่ว่าในขณะที่ผมสูบบุหรี่อยู่นั้น ยานสัมผัสผมก็ทำงานอีกครั้งโดยในครั้งนี้จับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างต่างออกไปจากผีป่าที่หลุดเข้ามาในบ้านพักอย่างเมื่อคืนโดยสิ้นเชิงมันมีขนาดใหญ่กว่านั้นมากจนต่อให้มันจะอยากเข้ามาขอส่วนบุญในบ้านพักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่สามารถพาร่างกายสูงใหญ่ของมันให้เข้ามาได้มันทาได้เพียงแค่วนเวียนอยู่รอบๆนั้นเฮ้ย ผมเรียกเพื่อนด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นประทับไว้ที่ริมฝีปากเป็นการบอกให้มันเงียบเป็นการป้องกันว่ามันอาจจะหลุดถามเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรออกมาอีกผมทําการอารัธนาบา ร, รมีหลวงปู่ทั้งสองและอัญเชิญแม่พรายมาปกปากบ้านพักนี้แบบเดียวกับที่ทําเมื่อคืนรีบสูบบุหรี่ต่อจนหมดบวนแล้วก็เรียกให้เพื่อนกลับเข้าห้องก่อนที่บางอย่างที่อยู่ข้างนอกนั้นจะส่งเสียงหวีดร้องแสบแก้วหูเพื่อเรียกร้องเอาส่วนบุญ วันสุดท้ายเราเดินทางกลับกรุงเทพอย่างปลอดภยัยทริปนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกทริปที่ให้อะไรหลายๆอย่างกับผมแล้วก็เพื่อนๆแต่ว่าแน่นอนว่าเพื่อนๆผมเองก็มีข้อสงสัยจากสิ่งที่ผมเจอตลอด2วัน2คืนไม่นับวันกลับ และแน่นอนเช่นกันว่าผมก็ต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศน่ากลัวพอหอมปากหอมคอโดยไม่ลืมที่จะกลับไปเล่าให้เพื่อนสาวรุ่นน้องสายตาทิพย์ผู้เลี้ยงกุมารทองถึงเรื่องเหนือธรรมชาติที่เจอมาจากทริปสังขละบุรีที่ผ่านมาพร้อมกันบน่นอิดออดถึงจุดที่ผมกลายเป็นคนที่ไปไหนก็เจอเป็นที่เรียบร้อย นี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากทางด้านของเว็บไซต์พัน tip.com นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะจากทางด้านของดาว่าเฮล布拉เซ่นนะคะที่เป็นเจ้าของกระทูน้นี้ขออนุญาตนําเรื่องดงผีป่านี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะในในก็มาเรื่องราวของป่าแล้วนะคะคุณผู้ฟังบีเองก็ขออนุญาตทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของคุณเอกนีคะที่ไปเจอผีในป่าเนี่ยนะคะ คุณเอกบอกว่าเล่าย้อนกลับไปเมื่อสมัยอยู่จังหวัดหนองคายคือจริงๆคุณเอกเนี่ยเป็นคนหนองคายครอบครัวยากจนเมื่อจบประถมปีที่6ค่ะคุณพ่อก็เอาไปฝากบวชเรียนที่วัดเนี่ยนะเพื่อเป็นเนนแล้วก็รับใช้หลวงลุงซึ่งเป็นจเจ้าอาวาสวัดหลวงลุงก็สอนภาควิชาต่างๆให้มาจะเป็นการเขียนอักษรขอมแล้วก็วัดที่อยู่ก็จะเป็นวัดที่มีการจัดทุดงประจําปีพระจะต้องมีการออกทุดงทํากรรมฐานเพื่อปลีกวิเวกัน ตอนนั้นคุณเอกก็อายุ16ก็ได้รับใช้หลวงลุงที่เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็พระอีก3ามรูปที่แบ่งสายเดินทุดงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงลุงเดินขึ้นป่าลึกทางภาคอีสานตอนเหนือแล้วก็ใช้เวลาเดินทางอยู่ 2-3 สาอาทิตย์ก็ไปถึงจุดหมายเวลาโดยประมาณ4ี่โมงเย็นก็หยุดปักกลดกัน ทีนี้คุณเอกตอนนั้นเป็นสัมมนเนนก็ต้องหาฟืนมาก่อไฟแล้วก็รับใช้ตามหน้าที่ชงน้ำร้อนน้ำชาถวายพระทั้งสามรูปเมื่อส่งน้ำทำวัดเย็นเสร็จก็เหมือนมีคนหาของป่าเดินตัดเข้ามาในป่ามากราบหลวงพ่อ3ามครั้งแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าอีก12กิโลเมตรก็จะถึงหมู่บ้านนี่มนท่านไปที่นั่นเถอะให้เดินไปอีกหน่อยอย่าอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหลัง6โมงไปแม้ยุงก็ไม่กล้าบินผ่านหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไร เรามาพร้อมพุทธคุณพระรัตนตรายมาเพื่อปลีกวิเวกจะเป็นตายยังไงก็ขอให้อยู่ตรงนี้เขาฟังแล้วก็กราบลาหลวงพ่อไปจากนั้นคุณเอกเองนะคะก็ชงน้ำร้อนน้ำชาถวายพระ พอทุ่มหนึ่งก็ไปก่อไฟใสฟ่ฟืนเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าที่จะเข้ามาทำร้ายหลังจากนั้นก็ให้พระอีกสามองค์นั่งกรรมาฐานก็จะเป็นสติปัฏฐาน4นะคะนั่งกันไป 3-4 ชั่วโมงเห็นจะได้นั่งจนตัวชาสักพักหนึ่งก็มีลมกันโชกแรงเหมือนพายุเข้ามาพัดกรดเป๋ไปเป๋มาแต่พัดอยู่แค่บริเวณรอบกรดเท่านั้นค่ะห่างออกไปไม่ถึง3คืบใบไม้กลับนิ่งสนิทไม่มีแม้แต่ลมแล้วหลวงพ่อก็พูดว่า ผู้ที่ไม่ได้รับเชิญกําลังจะมาแล้วนะให้ตั้งสติไว้คุณเอกเองบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวผมสติแตกลืมตาเรียบร้อยนั่งต่อไม่ได้เพราะว่ากลัวเนื่องด้วยภรษายังน้อยแล้วก็ยังเป็นสั ม, มนเน็จิตก็เลยยังไม่นิ่งลมก็ยังคงกันโชกแรงพัดควันไฟในกองไฟนี่ปลิวไปปลิวมาสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนแตงโมหล่นลงมมบนพื้นดังเพล่ะเลยนะะี่คะคุณเอกปากโกรธอยู่หลังหลวงพ่อก็เลยชะโงกหน้าออกมาดูเห็นเป็นคนค่ะแต่ว่ามีแค่ครึ่งตัวบนถึงสะดือ มีแขนแต่ไม่มีขาค่ะมานั่งแสยะยิ้มอยู่หน้ากองไฟพร้อมกับหักนิ้วตัวเองใส่กองไฟทีละนิ้วแบบนี้นะคะนี่แบบนี้แล้วก็หัวเราะเสียงดังห้าห้าห้าเมือ่อแล้วก็แสยะยิ้มด้วยเมื่อเวลาแสยะยิ้มนี่เลือดจะเต็มปากยิ้มแบบมีความสุขมากเลย หักใส่หักใส่โดยใช้ปากกัดพอหักหมดข้างขวาก็หักข้างซ้ายหักข้างซ้ายก็หักข้างขวาแล้วก็เด็กใส่ในกองไฟหลวงพ่อแล้วก็พระอีกสามองค์ก็ยังคงนั่งกรรมฐานกันนิ่งค่ะหลังจากนั้นเขาก็คลานวนไปมาหน้าโกรธแล้วก็บ่นว่าพวกจะมาเอาที่ของกูเหรอสักพักก็หายไปแล้วก็ลมสงบไปนะทีนี้เนี่ยพอลมสงบก็นึกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติสักพักหนึ่งไม้สะเดาค่ะ หากลงมาเฉียดกรดหลวงพ่อเป็นนิดเดียวเสียงดังปั้งเลยทีเดียวนะีคะคือกรดนี่อยู่ใต้ต้นเสดาซึ่งไม้เสดาดูแล้วน่าจะใหญ่กว่าขาคนอีกมั้งคุณเอกบอกผมกลัวอยู่ไม่ไหวก็เข้าไปในกรดหลวงพ่อกอดหลวงพ่ออยู่ข้างหลังแต่ว่าหลวงพ่อก็ยังคงนั่งกรรมฐานานิ่งสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนเดินบนต้นไม้ขย่มกิ่งไม้เสียงดังกึ่งกั้งกึ่งกั้งแล้วก็ตามด้วยเสียงวีดร้องก้องไปทั่วป่า ดังจนต้องอุดหูแล้วก็ภาพผู้ชายคนเดิมเนี่ยก็ปรากฏแต่ว่าคราวนี้มาเต็มตัวแขนขาครบมานั่งกินมือตัวเองเหมือนเดิมแต่คราวนี้กินแล้วก็กลืนลงไปด้วยพร้อมกลิ่นเหม็นเน่าสาบสางเหม็นอบอวนไปทั่วทั้งป่าเหม็นจนทนไม่ไหวสักพักหนึ่งหลวงพ่อก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็เทศเรื่องการยึดติด พร้อมกับสวดมนต์ด้วยเทศด้วยจนถึงตีสแต่เวลาเหมือนนานมากเลยตอนที่เจอและร่างนั้นก็ค่อยๆหายไปจนตีห้าพระทั้งหมดก็แผ่เมตตาสัพเพสัตตาจนเช้าพอหกโมงเช้าช า, ชาวบ้านที่เจอเมื่อวานก็เตรียมกระสอบเสียมจวบพร่วมาเก็บศพค่ะแต่เห็นหลวงพ่อยังอยู่ดีก็เลยก้มลงกราบหลวงพ่อแล้วก็เล่า ว, ว่ามีพระธุดงมาตายตรงนี้เนี่ยหลายรายแล้ว เช้ามาก็ต้องมาฝังศพทุกครั้งชาวบ้านก็พาหลวงพ่อไปดูถัดจากที่ปรากกดไปประมาณ1 2บก้าก็เป็นสุสานพระที่ฝังพระธุดงค์ทั้งนั้นแล้วก็ฝังทุกปีเพราะว่ามากันทุกปีแล้วก็มาตายทุกปีนะคะมารู้ทีหลังว่าสถานที่ที่หลวงพ่อปรากฏคือสุสานเก่าของกระเรี่ยงค่ะมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์ใครมาล่วงมาล้าต้องถูกท่าแล้วก็คุณเอกเล่า ว, ว่าไม้สเสดาที่หักลงมาเสียดกรดหลวงพ่อเหมือนใครเอาเลื่อยมาตัดลงมาไม่ได้ฉีกขาดตามธรรมชาติ พระธุดงอื่นที่พากันมาตายเนี่ยมีความตั้งใจแน่วแน่แต่ว่าจิตไม่แข็งพอที่จะสู้กับสิ่งเล่นหลับได้ก็เลยพากันมาตายเป็นจำนวนมากค่ะส่วนกองไฟที่เน้นจุดในกองไฟที่มอดไปแล้วเนี่ยมีเท่ากระดูกมีกระดูกเป็นนิ้วอยู่จริงๆก็คือกระดูกที่ผีหักใส่นี่แหละนะคะพระบางองค์มรณภาพไปแล้วชาวบ้านเอาขึ้นบาเพื่อแบกไปฝังในหลุมที่ขุดเตรียมไว้บางองค์กระดูกนิ้วเนี่ยไหลออกจากปากขณะแบกด้วย คุณเอกบอกว่าแค่เนนที่ลืมตาดูเหตุการณ์พระทั้งหมดเห็นในขณะทำสมาธินะคะมีแค่เนนคนเดียวค่ะที่ลืมตาแต่ว่ามองเห็นเป็นตาเนื้อนะคะแต่ว่าพระรูปอื่นเนี่ยก็คือเห็นในสมาธินะคะพื้นที่ปัจจุบันเป็นป่าลึกเหมือนเดิมไม่ใช่ทางสัญจรของคนยกเว้นคนหาของป่าแต่ว่าอยู่ได้ถึงแค่3ามโมงเย็นก็ต้องรีบออกจากเขตนี้เพราะว่าจะหลงป่าได้แล้วก็เคยมีลูกชายของคนในหมู่บ้านเนี่ยโดนยอดไผ่แทงตายคาอยู่บนยอดกอไผ่ก็มี หลวงพ่อนะคะปัจจุบันมรณภาพไปนานแล้วเป็นพระสมัยเก่าที่มีข้อวัดปฏิบัติเคร่งครัดน่านับถือมากๆเลยนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องเล่าพระเจอผีประจำวันนี้อย่าลืมนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของ B ีกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับ B ด้วยเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราอยู่คู่คุณผู้ฟังไปนานๆนะคะหมดเวลาแล้วล่วะคะ่ะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ